ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำทุกวันทุกวันพุธ น, นั้นเป็นช่วงของตา่มพอดีบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิขันสั้นๆซสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อธรรมแต่วันนี้จะนำเสนอเรื่องของ อุปมาด้วยสติ9ก้าอย่างเราก็มาฝึกสติกันก่อนเลยตอนนี้ใช้คเครื่องมือที่เรียกว่าอาณาปานาสติคือใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติลมหายใจนั้นก็คืออากาศนั่นเองต็มฟังอากาศที่อยู่ภายนอกเป็นอย่างไร อากาศที่อยู่ภายในตัวเราก็มีลนะักษณะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเขาก็จึงเรียกว่ามันเป็นลมอากาศที่เข้าไปในร่างกายผ่านทางโพรงจมูกก็คือลมหายใจเข้าอากาศที่เคลื่อนออกจากร่างกายผ่านทางโพรงจมูกก็เรียกว่าเป็นลมหายใจออกให้เราตั้งสติไว้อยู่กับลมตรงไหน เขาตรงจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้รับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตกลรอไวนะ้ณที่ตำแหน่งนั้นประตูทางเข้าออกอยู่ตรงไหนตั้งป้อมหยามไว้นะที่ตรงนั้นในที่นี้ก็คือในโพรงจ ม, มูกนั่นเอง่รรมบุฟังณนะบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ นั่งก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นโดยทั่วไปจปนอย่างนั้นเพราะว่าบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากหลายอยู่จุดนั้นจะเป็นจุดที่เราจะสังเกตได้ง่ายที่สุดสติคือการสังเกตนั่นเองตัมบูฟังสังเกตดูสังเกตดูสังเกตหมายถึงไม่บังคับสังเกตหมายถึงไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ใช่บังคับว่าต้องคิดหรือต้องไม่คิดไม่ใช่บังคับว่าต้องลมสั้นหรือลมยาวไม่ใช่บังคับว่าต้องลมเร็วหรือลมห่างแต่ไม่บังคับนะให้เป็นธรรมชาตินะแต่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมชาติแบบปล่อยปลาปะละเลยไม่สนใจไม่แคร์อะไรก็ไม่ปบบนั้นเอากลางกลางกลางกลางกลางๆงหนึ่งจึงเป็นทางสายกลาง ทางสายกลางคือมัชิมาปฏิปทานั่นคือสัมมาทิฐิมิจฉาทิฏฐิก็มีนะสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนสุดสองข้างบองดีก็ให้เราเบลนเบลไปบ้างบางดีก็ให้เราบังคับขู่เข็นไปบ้างนั่นเป็นมิจฉาแต่ถ้าเป็นสัมมาแล้วมันจะเป็นตรงกลางๆหมายถึงพอดี หมายถึงไม่บังคับไม่ปล่อยปละละเลยแต่ว่าใส่ใจไว้ทำอย่างเป็นธรรมชาติจดจ่ออยู่สังเกตดูอยู่ไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอหรือเกรงหลังแต่ให้ทำอย่างสบายๆเวลาเราทำเวลาเราปฏิบัตินั้นให้ทำเป็นธรรมชาติทำเป็นธรรมชาตินั้นหมายถึงให้สังเกตดู มีการควบคุมอยู่พอประมาณจิตที่เรามาระลึกนึกถึงลมได้ความระลึกได้นั้นคือสติจิตที่เราไม่เผลอเปลินหลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกความไม่เผลอไม่เปลินไม่หลงไม่ลืมไปนั้นคือมีสติความที่ว่าถ้าเรารับรู้สิง่งใดแล้วเราสามารถไม่ลืมลมได้ความไม่ลืมลมนั้นคือเรามีสติ แต่ว่าสิ่งภาษาภายนอกบันที่มันมีกำลังอยู่ให้เราไปรับรู้ได้อยู่รับรู้แล้วรู้เฉยๆฉยไม่เคลื่อนหนีหายไปทางไหนหรือว่าไม่เผลอเปลินไปแต่อย่างใดตั้งสติไว้ได้ให้เราตั้งจิต ร, รักษาสตินี้ไว้ให้ดีอา้าวล่ต่มาฟัง หลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะในการทำจิตของเราให้สงบนั้นเราก็ตั้งสติขึ้นกลืแมือที่เราใช้ก็เช่นมีกายบ้างมีลมหายใจบ้างมีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างทีนี้เวลาเราทำจิตให้สงบ ด้วยเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นในัยยะที่พระพุทธเจ้าจะได้สอนไว้อธิบายไว้มีมากมายจึงในวันนี้ท่านผู้ฟังท่าพระเจ้าอยากจะยกอุปมาในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เอาเรื่องสติมาเปรียบเทียบเอาไว้ซึ่งนี้เป็นกรรมของด่านีประสารีบุตรที่มีการบันทึกเอาไว้อยู่ในอังคุตระนิกาย เป็นอุปมา9้าอย่างทรามบังที่เปรียบสติด้วยกายคตาสติหรือสติประเภทไหนๆก็แล้วแต่จะมีอุปมาอุปมมยอย่างไรเป็นอุปมาของสติที่จะมารวบรวมไว้ทั้งหมดอยู่ในที่นี้ในช่วงของได้ร่มโพธิบททุกวันพุธและเพื่อที่จะ ไม่ให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเป็นงูพิษไม่ให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะมาแหวงกัดเราเป็นอันตรายแก่เราจึงต้องทำสมาธิกันสั้นๆ ส, สักครุ่นก่อนเพื่อให้จิตเป็นอรมณ์เดียวเรื่องราวที่เรียนแล้วนั้นนอกจากจะจำได้อย่างแม่นยำยังจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะไม่ให้เกิดความยึดถือในสิ่งที่เรียนรู้นั้ น, นใช้ท่านผ้ฟังเพรานอเนี่มันยึดถือทํามะได้นะตระหีทธรรมะไงตระีในสิ่งดีๆยึดถือในสิ่งดีๆความยึดถือนั้นมันก็ไม่ดีท่าจึงเตือนไว้เมื่อเรารับฟังคำตักเตือน ด้วยความเคารพหนักนั่นแล้วเอามาทำเอามาใช้เอามาปฏิบัติก็จะทำให้ธรรมนั้นซึมลึกเข้าสู่ในใจสตินี่แหละท่านฟังจะเป็นตัวที่อะลายคือจัดระเบียบในช่องทางใจที่ธรรมะมันจากหูผ่านเข้าสู่สมอง แล้วเป็นสายเส้นประสาทประมวลผลมันเป็นเรื่องของรูปแล้วนั้นจะเข้าสู่จิตใจของเราอยู่ที่ท่ามกลางอกในมาทางกันแค่สอกเดียวจากหัวสมองถึงหัวใจบางทีถ้าบอกว่าไอ้ช่วงสอกเดียวเนี่ยมันไม่ลงล็อกกันมันขวางกันมันขัดกันอยู่เนี่ยมันไม่เข้านะตัมบูฟัง แรงดึงดูดของโลกมันดึงลงมาไม่ได้เราจึงต้องมีการอไล์เหมือนคือช่องร่องอะไรที่มันจะลงตกผ่านไปได้จัดระเบียบให้ดีระเบียบวินัยไงตัมบฟังจึงเป็นทางแห่งความสําเร็จสตินี่ไงตัมบฟังจะเป็นตัวที่จัดระเบียบในภายในจิตใจของเรา สติที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเจาะจงลงไปคือเรื่องมือที่ชื่อว่ากายคตาสติโดยท่านยกอุปมาก้าอย่างด้วยกันเป็นประสุที่มาในอังคุตรณนิายที่กบฏชาก็เคยนำมาอ่านในตัฟังฟังอยู่ชักระยะหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรนั้นถูกโจ์ ถูกโจทย์ด้วยคำไม่จริงโดยภิกษุที่ไม่ได้ปรากฏชื่อรูปหนึ่งในประตุที่ชื่อว่าวุต ธ, ธิสูตรในครั้งนั้นท่านประสาริบุตรก็จะเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปที่ลีกร้นหลังจากออกพรรษาแบบนี้ล่ะก่อนที่จะเดินทางไปก็มากราบลาพระพุทธเจ้า แล้วก็ระหว่างทางออกจากพระพุทธเจ้าจะเดินไปนั้นคือเนื่องจากว่าท่านอยู่กเป็นคนป๊อปปูล่าเนอะเวลาแต่ละครั้งละครั้งในช่วงตลอดพัญษาอยู่วัดเชตาวันเนี่จะออกไปบินธบาทุที่ไร่ก็จะต้องมาตรวจตราดูวัดซะก่อนใครเจ็บไข้ได้ป่วยเสนาสนะตรงไหนยังไม่เรียบร้อยมีอะไรจะต้องดูแลนี่ท่าน จัดแจงดูแลจัดทำช่วยเหลืออยู่ตลอดทำให้ก็มีคนที่รู้จักท่านอยู่มากเสด็จเดินทางไปครั้งนั้นก็ทักทายทุกคนเลยโอ้ท่านมหาสารีบุตรจะไปทางไหนครับโอ้ว่างั้นสะดวกทักไปอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งที่ท่านมราสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ทักทายภิกษุรูปนี้ พิสุรูปนี้ก็เครียดไงอ้าวทำไมคนอื่นคุณพูดชื่อเขาทำไมพอมาถึงคราวชันไม่เห็นกล่าวนามชันบ้างก็เลยผู้โกรธคราวนี้มาหาเรื่องท่านว่าเนี่ยเดินผ่านมาเอาสังคติมากระทบกันแล้วไม่ได้ขอโทษเดินจากกันไปเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพระพุทธเจ้า จัดเลยธมวังพระพุทธเจ้าจัดเวทีให้เลยจัดเวทีให้นี่ไม่ใช่ว่าทะเลาะ ก, กันนะแต่จัดเวทีให้ท่านปราสารีบุตรขึ้นบัลลือศีนาะนยุดธก้อนอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนสารีบุตรให้คนไปเรียกเรียกกลับมาเพื่อที่จะมาชี้แจงเรื่องนี้แมหมธมวังคนจะไปอยู่แล้วจะมาเรียกให้ระงับอธิกรณ มาสอบถามเรื่องราวอะไรกันอีกหรือเป่าเออแม่ก็จะไปแล้วก็ไปเถอะไม่เป็นอะไรแต่ตัวตัวไปก็จะเป็นอย่างนี้แม่แต่ครานั้นคือพระพุทธเจ้าจัดเวทีให้เฉพาะไงจัดเวทีให้ท่านพระสาริบุเนี่ยสำหรับเทศให้ฟังท่านก็จึงยกอุปมาอุปไม่เกอย่างที่จะเปรียบสติวไว้ดังนี้ คือเอาเรื่องกายคตาสติขึ้นเป็นหัวข้อแล้วพูดถึงสภาวะจิตใจว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยที่เมื่อจะเดินกายคตาสตินี่แล้วคือจิตใจของพวกเนะราในต้องฟังนะถ้าเผื่อว่าไม่มีสติแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สมรวมมันก็จะมีความเพลิน มันก็จะมีความเผลอเรอมันก็จะมีความหลงมันก็จะไม่มีสมาธิมันก็จะกุ่นวายไปตามการกระทบของสิ่งต่างๆแต่ถ้าตั้งสติไว้แล้วนะในที่นี้จะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ลนะอ่ะด้วยเครื่องมือแบบไหนก็ได้นะสติเนี่ยมีเครื่องมืออยู่อย่างน้อยก็สิบอย่างล่ะคือ อนุสติ10บอย่างมีพุทธานุสติเป็นต้นมีอาณาปานาสติเป็นที่สุดระหว่างนั้นก็มีกายข้าตาสติด้วยคือการใช้พระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ตั้งสติได้การใช้ลมหายใจเป็นเหตุให้ตั้งสติได้หรือการใช้กายเป็นเหตุเป็นเครื่องมือให้เราตั้งสติได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือแบบไหนในที่นี้เราพูดถึงกายคตตาสติอยู่เนี่ยในประสูนย์นี้เนี่ยทิจใจนั้นจะมีลักษณะเก้าอย่างต่อไปนี้คือมันจึงเป็นเหตุและผลของกันและกันเก้าอย่างมีอะไรเ อ, อย้ยก่าก่อนจะก่อนตับฟังแล้วก็จะเจาะไปในรายละเอียดของแต่ละข้อ ของแต่ละคอในสี่ข้อแรกก็เป็นเรื่องของธาตุคือดินน้ําไฟและลมจิตเนี่ยเสมอด้วยดินจิตนั้นเสมอด้วยน้ําจิตนั้นเสมอด้วยไฟและจิตนั้นเสมอด้วยลมสี่ข้อถัดมา ก็จะเป็นลักษณะที่มีความรังเกียจมีความที่ไม่น่าแบบไม่น่าจะยินดีแบบไม่น่าจะพอใจนั้นคือปเปรียบด้วยผ้าขี้ริว้วหรือว่าผ้าเช็ดตุรีปรเปรียบด้วยเด็กจันทานปเปรียบด้วยโคเขาขาดแล ะ, ปะเปรียบด้วยคนที่รักสวยรักงามมีซากสัตว์ มาคล้องแขวนไว้อยู่ที่คอคือมีจิตเปรียบด้วยผ้าเช็ดทุลีมีจิตเหมือนเด็กฉันทานมีจิตเหมือนโคที่เขามันหลุดขาดออกไปและมีจิตเหมือนคนรักสวยรักงามที่มีซากศพซากสัตว์ซาก ง, งูมาแขวนคล้องไว้ที่คอหนึ่งก็ไป8ดประการแล้ว ส่วนในข้อสุดท้ายประการสุดท้ายนั้นก็จะมีอุปมาเป็นลักษณะที่ให้เกิดความระมัดระวังต้องรอบคอบระมัดระวังอยู่เสมอนั่นก็คือก้อนมันทะลุภาชนะที่ก้นทะลุแล้วมีน้ํามันมีน้ําอะไรไหลออกต้องคอยประครับประกองอยู่เสมอ อุปมาก้าอย่างนั้นมีรายละเอียดอย่างไรเรามาว่ากันไปทีละข้อแล้วก็ตำรวังในข้อที่ว่าดูเรื่องของดินคือท่าดินนั่นเองท่าดินนั้นคือสิ่งที่มีลักษณะเข้นแข็งไม่ว่าจะภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลสิ่งที่เป็นของแข็งทั้งหมดภายนอกแต่าภายในก็จะเป็นพวก เอ ว, วัยวะภายในกระดูกตับม้ามปอดผิวหนังที่เป็นของแข็งจับต้องได้ทรงรูปคงรูปอยู่การทำจิตให้เป็นเหมือนดินจะเป็นผลของเมื่อเราตั้งสติขึ้นได้ดินเนี่ยเวลามีใครเขาทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างชฉยไม่จะอิดนารารังเกียร ด้วยสิ่งที่สะอาดหรือไม่สะอาดนั้นก็คือเป็นผลของสติที่เราตั้งขึ้นไงจิตมันจะเป็นเหมือนดินมีความกว้างใหญ่กว้างใหญ่ในลักษณะที่ถึงระดับว่าถ้าใครจะมาขุดดินนะเอาจอบมาเลยเอาบุ่งกีมาด้วย ม, มันน้อยไปเอารถขุดมาเลยรถขุดมาเลยรถแบ็กโฮขุดลงไป แล้วบอกว่าโน no, ดินเจ้าอย่าเป็นดินต้องเป็นน้ำไ ป, ไปให้หมดมันดีก็จะมีการปรับแต่งเรื่องภูมิสตาปาฏนะเออทำพื้นที่ที่มันเป็นน้าให้เป็นดินขึ้นมาทำพื้นที่ที่เป็นดินให้เป็นน้าขึ้นมาก็คือคุณชายฟังอ่ะให้มันตื่นเข้าหรือตกแต่งขอบขั้นของแม่น้าตลิงให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นี่ เขาทำได้ระยะเดียวเท่นั้นเองเขาจะทำแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลให้เป็นน้ำทั้งหมดนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะมีการทำการประมาณการนะทำฝังว่าถ้าเราทำแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยหมันเป็นภูเขาด้วยให้มันราบเรียบเสมอกันหมดจะพบว่าน้ำมันจะเต็มไปหมดจะไม่มีดินเหลืออยู่เลยใช่ไหม เพราะาน้ำมันมากในโลกเราเนี่ยแต่ว่าใครจะไปทำอย่างนั้นได้ล่ะขอโทจะขุดภูเขาให้ไม่เป็นภูเขาบางทีรถขุดในี่ฟันมันไปก่อนแล้วมันยากมากแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลมากจะขุดให้เป็นแผ่นดินไม่ได้เลยเป็นลักษณะจิตที่มีสติตั้งไว้จิตก็จะเป็นเหมือนแผ่นดิน กวางใหญ่ไพศาลนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองปเปรียบเหมือนกับน้ำน้ำก็เช่นเดียวกันตั้วังที่ว่าใครจะทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งเอามูดเอาคูด้ดเอาดอกไม้เอาอาหารน้ำเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอ า, ารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นเลยน้ำก็ยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมบางคนอาจจะบอกว่าเอ้คนนี้ไงน้าเน่า อยู่ในคลองอยู่ในบึงบางทีก็เน่าได้นะใช่ท่านผูฟัง น, นี้คือสารประกอบที่เข้าไปปรุงแต่งตัวน้ำใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตัวของน้ําเองเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าจะอิดน้ําฬรอาอังเกียร์ไงว่าอันนี้สกรปรกนะอันนี้สะอาดนะฉันจะเอาอันนี้ฉันจะไม่เอาอันนี้สกรปรกก็ใส่มากก็ส ก, ก, สกรปรกก็เป็นสมมุติอย่างหนึง่งสะอาดก็ใส่มากก็เป็นสะอาดก็สมมุติอย่างหนึง่งแต่ก็จะไม่ได้บน่นไม่ได้ว่าไม่ได้ รังเกียจไม่ได้แค่ไม่ได้ดีใจน้ำก็เป็นน้ำเหมือนเดิมก็เป็นน้ำเน่าใสของสะอาดลงไปเอาสิ่งของประสมกับเปลออกไปน้ำก็เป็นน้ำใสก็เป็นน้ำเหมือนกันอะ H2O เหมือนกันอะไม่ได้แค่เลยจิตที่มีสติตัต้งไว้ในตัวฟังเวลามีเสียงที่กลดาหรือมีเสียงที่ชมสรนเสริญไม่ได้จะแค่ คือก็ฟังยุแต่ว่ามันไม่ได้สะเทือนเข้าถึงใ จ, ใจิตใจน้ำก็ยางเป็นน้ำเสียงมันก็คือเสียงไม่ว่าจะเสียงด่าหรือเสียงชมเหมือนกันจิตที่มีสตินี่จะตั้งแบบนี้ไว้ได้แล้วจะพูดถึงอุปมาเรื่องน้ำในประสูตรเรื่องดื่อนะท่านก็ยังจะไปเทีย่ยบว่าจิตเรามีเมตตาจิตเรามีสติแล้ว จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนแม่น้ำาคงคาที่มันมีน้ำมากที่วาถ้าไกรจะจุดไฟเผาให้ต้มน้ำในแม่น้ำโคงคาปริมาณมากเท่านี้มันเดือดขึ้นมาได้เราไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้เพลิงไฟสุมเข้านะนี่จะใช้คบเพลิงย้านะ่ เอาฟางเอาญ้ามาทำเป็นเชือ้อแล้วหวังว่าจะเอาไฟที่เกิดจากเชื้อแบบนี้มาต้มน้ำในแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพราดเหรอแค่คิดหมายถึงคำนวณยังไม่ได้เลยตอวหวังเราไม่ต้องพูดถึงว่าจะลงมือทำจริงๆการคำนวณในกระดาษวางแผนนี่ก็ส่วนหนึ่งนะการลงมือทำก็อย่างหนึ่ง คืออาคารหรือว่าโครงการบางอย่างเราวางแผนเราดีไซน์ได้อยู่แต่ว่าจะสร้างจริงๆบางทีมันติดเรื่องงบประมาณติดเรื่องสถานที่ติดเรื่องทรัพยากรใช่ไหมวางแผนได้คิดได้เป็นไปได้แต่ลงมือทําจริงๆไม่ได้อันนี้ยิ่งกว่านั้นไปอีกนะคุณจะมาคิดวางแผนว่าเออจะต้องใช้ฟืนเท่าไหร่ในปริมาณน้ําเท่านี้ อันดัแรกก่อนนะจะวัดว่าน้ำมันกี่ลิตรกี่ลิตรนี่มันก็ไม่ได้แล้วโจตั้งต้นมามันก็ impossible ละไม่ได้ละเราไม่ต้องพูดถึงว่าจะหาฟืนแล้วฟืนนี่ก็ยังเป็นฟืนที่เป็นฟ่อนหญ้าเป็นฟางเนี่ยมันไม่ได้จะมีความถาวรคงทนเผาไม่แป๊บเดียวก็หมดเรียบร้อยแล้วเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทําน้ํำในแม่น้ํำคงขามากประมาณนั้นให้เดือดพล่านด้วยคบเลืองยาได้มันไม่ได้นะถ้าจิตใจเราเป็นแบบน้ําอย่างเงี้ยจะเป็นคาําด่าจะเป็นคําชมจะเป็นคําตีเตียนจะเป็นคําสรรเสริญโยนยอสการะอย่างไรก็ตามสบายเลยน้ําก็ยังคงเป็นน้ําเหมือนเดิมจิตของเราก็ยังคงเป็นจิตที่ประปรสอ ด้วยสติที่เราตั้งไว้เหมือนเดิมนี่คืออุปมาข้อที่สองธรรมะข้อที่สามคือไฟไฟในที่นี้ก็คือความร้อนไฟความร้อนที่เผาไหม้สิ่งต่างๆเวลาที่เขาเผาเขยายอย่างนี้นะหรือเขาเผาฟืนหรือเอาฟืนมาเป็นเชื้อจุดไฟขึ้นเผา เกิดความร้อนเกิดเป็นของไหมเกิดเป็นเปลวขึ้นมาไฟนี่เขาไม่ได้แคร์เลยนะเราทําไมคุณเอาเชื้อที่เป็นขยะมาให้ฉันทำไมคุณไม่เอาเชื้อที่เป็นฟืนจากต้นไม้สักฟืนจากต้นไม้มะเดือ่อฟืนจากต้นไม้มะม่วงคุณไม่ได้แคร์เลยไฟนี่ก็เผาหมดทุกอย่างจะของสะอาดไม่สะอาด จะของดีของไม่ดีคือคนไม่ได้แคร์เลยไฟออยก็ยางคงเป็นไฟเหมือนเดิมแล้วก็พูดเรื่องของไฟพูดเรื่องของความร้อนการเสียดสีเผาไหม้นั้นก็ทาให้ข้าพเจ้านึกถึงอุปมาอีกอย่างหนึ่งที่เปรียบด้วยแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่แต่เวลาคนก็ตีขึ้นเนี่ยคือขนมันฟูมากเลยจะตีตีตีตตต ให้มันมีเสียงดังเหมือนตีแผ่นหนังของกลองให้เกิดเป็นเสียงตึมตำตึม ต, ำ, ต, มตำขึ้นเขาจะทำไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดดีแล้วฟอกนวดอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกลงวานเสียงจะตีลงไปเท่าไหร่เนี่ย คนตีนแล้วเหนื่อยเปล่าเสียงที่ออกมาน่ไม่มีคือเปรีบเหมือนไฟมันจุดไม่ติดจะกระทบกันแล้วให้เกิดเป็นเสียงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนความร้อ น, นไม่ได้จิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันทม้ฟฝั ง, งถ้าว่ามีอะไรมากระทบแล้วมันจะจุดติดไหมจุดแล้วจะเครียดไหมจะยินดีไหมจะเปลินไหมจะหลงไหม ผลินี่ก็ตามคำดาคำชมสิ่งที่ไม่น่าปอใจหลงเพลินชอบพอใ จ, ลลออใจและก็ตามสิ่งที่น่ากำนัดยินดีเป็นคำชมเป็นคำสรรเสริญไหมไฟนี่ไม่แค่เลยตะวังไฟไม่แค่เลยเหมือนเดิมทุกประการจะเชื่อแบบไหนมันก็กินได้หมดกินเชื้อด้วยกินตัวมันเองด้วยหมดไปเลย สติที่เราตั้งไว้จะทําให้จิตเราเน้นเสมอด้วยไฟที่จะไม่ไดุ้้ือตัดเปลี่ยนแปลงระอาเริงเกียรติตามสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั้นจิตจะมีความกว้างขวางเสมอกันไปหมดถัดมาอุปมาอย่างที่สี่ที่ว่าดูเรื่องของลมลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่ไป อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมที่มันเคลื่อนที่ไปได้นั้นเพราะว่าอาจจะเรื่องของอุณหภูมิบ้างเรื่องของทางกลศาสตร์เช่นมีอะไรมาดันเช่นพัดลมพัดลมเนี่ยใบยพัดมันดันอากาศเข้าไปมันก็เป็นลมหรือลมหนาวลมร้อนนี่ก็เพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือจะเป็นลักษณะความกดอากาศ เป็นเรื่องลมฝนถ้ามีความกดอากาศไม่เท่ากันอากาศมันเคลื่อนที่ไปก็เป็นลมลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ไปถ้าเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูกก็เป็นลมหายใจเข้าแต่เคลื่อนที่ออกจากร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูกก็เป็นลมหายใจออกลมอยู่ในตัวเราก็มีลมอยู่ภายนอกก็มี น้ำก็ด้วยนะไฟก็ด้วยที่ผ่านมาเสริมเพิ่มเติมเข้าไปว่าน้ำในตัวเราก็จะเป็นน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำข้างนอกก็น้ำทะเลน้ำจืดพวกนี้ H 2 O มันเป็นสิ่งเดียวกันความร้อนก็เหมือนกันเป็นอนาภาคมือไฟหรือจะเป็นความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอย่างใดๆก็ได้ในภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสันดาบที่ใช้เชื้อเพลิงหรือปรากฏการฟิวชัน Fusion, ปรากฏการฟิชชัน ission, ปรากฏการปฏิกิริยาทางเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งและให้เกิดเป็นอุณหภูมิเป็นความร้อนขึ้นมาความร้อนอุณหภูมิที่เกิดขึ้นก็ลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในเรานี้มาถึงธาตุลมลมก็ชัดเจนเหมือนกัน เดิจะภายนอกภายในก็เข้ามาสู่ร่างกายได้ออกจากร่างกายของเราไปก็ไปภายนอกเป็นลมอากาศอันเดียวกันซึ่งอากาศในที่นี้ก็มีออกซิเจนเป็นตัวหลักในการที่จะให้ร่างกายของเราตั้งอยู่คงอยู่ได้อุปมาที่ท่านยกนั้นคือลมที่เวลามันพัดเข้าไปในสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง ในสิ่งของที่น่ารังเกยียจบ้างน่าพอใจบ้างเช่นอุจจระอย่างเี้เอารมณ์พัดมาอู้เรากินเหม็อนอะไรเนี่ยกินขยะกินอุจจาระอา่าวอมพัดมานี่ลมไม่ได้แค่นะมันก็พากลิ่นไปโดนจมูกเราเรานี่ยแหละตั้งหากว่าจึงพอใจไม่พอใจเอาดอกไม้เอออาหารของหอมๆ อ, อย่างเี้อุ๊ยข้างผ่านใครทําอะไรเนี่ยหอมจังน่ากินจัง หรือตอนเช้าดอกไม้บานู้ลมพัดมานี่กลิ่นหอมดอกไม้โอ้สดชื่นจังแหมสดชื่นจังน่ากินจังนี่มันจิตของเราแต่ลมเนี่ยไม่ได้แคร์เลยนะมันก็ไปตามกระแสของมันไปตามทิศทางความกดอากาศบ้างบุญนาภูมิของมันบ้างตามเงื่อนไขปัจจัยเขาไม่ได้แคร์เลยว่าอะไรมันจะน่าหอมอะไรมันจะหน่าเหม็นหรือจะเอาเฉพาะ ข, ของหอมไม่เอาของเหม็น เสมอเกันหมดกว้างขวางไปหมดเหมือนกันไปหมดจิตก็เราก็จะเป็นฉนั้นทุ่มฝังแต่เพราะว่าเราตั้งสติออกไปได้มีสติอยู่ในกายแล้วจิตนั้นจะเสมอด้วยหลมทันทีทํำไมข้าพเจ้านึกถึงอุปมาอันหนึ่งที่มาในอีกประสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของอากาศอากาศที่ว่างๆเนี่ย คุณจะเขียนสีเขียนภาพเขียนรูปให้ปรากฏนี่ว่ามันจะไปได้ยังไงเอาต่อให้บางคนนะเอาแผ่นกระดานหรือว่าแผ่นหนังหรือว่าแผ่นพื้นผ้าใบมาขึงมากาเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็จะเขียนรูปถึงทุกวันนี้เขาเป็นดิจิ t ัลอาร์ตแล้วทุังเขาก็เอา iPad แทบเปิดพวกนี้ใช้ปากกาเนี่ยมาเขียนรูปลงไปในนั้นเนี่ย ต่อให้คุณมีวัสดุที่จะเขียนได้นะบางคนทำไม่ได้ด้วยซ้าฝีมือห่วยออกมาไม่สวยดูไม่ดีทำไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปนี่ก็จะมีเครื่องมือเขียนนะบางคนนี่จะฝึกนี่โอ้เป็นสิสิปีกว่าจะฝึกได้ออกมาดูดีพอดูได้แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าไม่มีเครื่องที่จะเขียนลงได้มันจะเขียนไม่ได้เลยเป็นว่างๆมันจะไปเขียนยังไง เขาก็มีเทคโนโลยีทำฝังใช้เลเซอร์ทำเป็นฮโล로그รมขึ้นมาหรือว่าเอาน้ําเนี่ยพ่นขึ้นมาใช่ไหมเราไปยิงเลเซอร์ลงไปเป็นบนน้ําให้เป็นสีเป็นแสงเป็นภาพอะไรซึ่งไม่ว่าจะเป็นฮอล로กรมแบบใช้น้ําหรือใช้อากาศมันก็ต้องมีควั น, นก็ต้องมีควันลอยขึ้นเสร็จปุ๊บก็เอาเลเซอร์เนี่ยฉายเข้าไปให้มันเป็นภาพ2มิติบ้างสามมิติบ้างเป็นสีบ้าง นั่นก็ต้องอาศัยควันไงนั่นก็ต้องอาศัยน้ำไงเป็นตัวที่จะให้ภาพปรากฏขึ้นโดยใช้รูปละเอียดเช่นแสงมาฉายลงไปเป็นเลเซอร์นั่นก็ไม่ใช่อากาศเพราะว่าอากาศมันมันใสมันโปรง่งจะทำให้ภาพอะไรปรากฏเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าในอากาศนั้นมีฝุน่นมีควันหรือในอากาศนั้นมีละอองน้า เออนั่นก็คือภาพที่ปรากฏเพราะฝุ่นควันหรือละอองน้ําหรืออนุภาคเล็กๆอะไรเหล่านั้นที่มันสะท้อนแสงออกมาแต่ถ้าอากาศจริงๆแล้วนะมันจะเขียนภาพเขียนอะไรให้ปรากฏไม่ได้เลยจะไม่มีความระารังเกียจหรือกําหนัดยินดีในสิ่งใดๆเลยจิตใจนะเปรียบเหมือนด้วยลม ที่ไม่ว่าจะพัดไปทาไหนก็เสมอกันหมดที่ไม่ว่าจะของหอมของเหม็นก็เสมอกันหมดกว้างใหญ่ไปสาลแบบนี้กำว่าเสมอกันนี่คือมันแบบมันไปเลยอะมันไม่ได้จะเจาะจวงว่าเท่านี้เท่านี้หรือเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นความกว้างขวางเนไปเลยเหมือนลมเลยนี่คือประมาณสี่ข้อแรกต่อังที่คือท่าสีธีน้าไฟลม จิตเราถ้าประกอบด้วยสติแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้ถัดมาเป็นลักษณะที่จะเป็นสิ่งที่ต้องจิมเจีย ม, ยมต้องแบบไม่แบบทํำตัวให้เด่นต้องแบบสงบสงีวยมเยี่ย ม, ยมโตว่านั่นคือกัติยอุปมาว่าด้วยผ้าเชตุรีผ้าเชตุลีก็คือผ้ากีรุณนี่แหละ ผ้าขี้ริ้วที่เขาจะไปเช็ดของไม่สะอาดให้มันสะอาดขึ้นมาจะเม็นย่งเราจะเช็ดโต๊ะเนี่กินอาหารเสร็จแล้วอา้าวมีคราบอะไรต่างๆเปื่นอนพื้นอาจจะไม่มีคราบอะไรต่างๆสงกปรกก็ต้องเอาผ้าขี้ริ้วมาเช็ดมาถูเช็ดจากที่ไม่สะอาดให้มันสะอาดขึ้นมาเาแล้วกว่าไม่สาดไปอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่ผ้าแล้ว ก็จึงเลือกผ้าขี้ริว้วผ้าเช็ดทุเรีเอาทุเรีเนี่ยมันมาเปื้อนที่มันแล้วให้สิ่งที่ไปเช็นนั้นอย่าไปเปื้อนเอาความสกปรกเอาฝุ่นมาเปื้อนที่มันในสิ่งที่ไปเช็ดนั้นก็จะได้ไม่มีความสกปรกไม่มีฝุ่นผ้าแบบนี้เนี่ย่ะตัวังเขาก็จะไม่ค่อยถนอมไงเขาก็จะซักจะขัดจะถูจะขยี้มันทาไมอะ ก็ให้เอาของโสโปรกนี่ยแล้วมันออกไปให้เอาของที่มันไม่สะอาดนี่ออกไปต้องถูต้องแบบต้องรับทุกอย่างจะสโปรกจากฝุ่นจะสกปรกจากซอสจะโสโปรกจากน้ำจากคราบจากใยแมงมุมต้องได้หมดนาะความกว้างขวางใช้ได้อาตราประโยชน์ของมันแบบนี้แล้วก็จะเอาไปเช็ดของสะอาดอยู่แล้วเนี่ย วันที่เขจะมีผ้าสองประเภทนี่ไว้สําหรับเช็ดพื้นถูพื้นนี่ไว้สําหรับเช็ดโต๊ะถูโต๊ะนี่ไว้สําหรับเช็ดเครื่องประดับนี่ไว้สําหรับเช็ดโทรศัพท์นี่ไว้สําหรับเช็ดจอภาพแต่ก็ลักษณะเดียวกันนะผ้าเช็ดอั ญ, ญมณีอย่างเงี้ยมันสะอาดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ก็ผ้ายีิริ้านั่นแหละเช็ดของสาอาดๆ ด, ด้วยกันผ้าเช็ดโทรศัพท์มือถือ โอ้ตรงมีลักษณะผ้าแบบนี้ไมโครไฟเบอร์ iber, เออแล้วก็เช็ดแล้วมก็คือผ้ากีรุษเหมือนกันนั่นแหละเช็ดเอาของสกรปรกออกจากหน้าจอออกจากเครื่องประดับความสกรปรกมันก็ไม่อยู่ที่ผ้านะั่นไงเขาบางทีก็ต้องเอาไปซักบางต่อให้เป็นผ้าที่เช็ดธัญบมณีก็ตามมันจะต้องรับได้หมดไม่ว่าสิ่งสกรปรกนั้นจะเป็นอะไรซึ่งพอรับมาแล้วนะ มันไม่ได้บน่นไม่ได้แคร์ไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าว่าเอ้ยฉันจะขอเช็ดเฉพาะฝุ่นนะฉันจะไม่เช็ดน้ํานะโอยเหมือนก็มาด้วยกันนะแต่มันมีอ่ะฉันจะขอเช็ดเฉพาะคราบน้ํามันนะฉันจะไม่เช็ดคราบน้ำโห้ยเขาต้องรับหมดต้องกว้างกวางแบบนี้ความเป็นปบากิริวความเป็นปบาเชตุรีจิตใจเราก็เหมือนกันต้องฟัง จะเป็นสิ่งสุกโปรกจะเป็นสิ่งสะอาด จ, จะไม่ได้อึดอัดระอารางเกียจหรือว่าจะไม่ได้แบบว่ า, าดีใจปอใจจะไม่เป็นเลยแต่ตังสติว้ได้ดีใจนั้นจะเป็นเหมือนผ้าเช็ดทุลีใช้ได้อัตถะประโยชน์กว้างขวางไม่ระอารางเกียรถ้ามาประการที่6คือเด็กจันตาดมวัง เด็กชนทานที่มีจิตหนอบน้อมจะหือจะอือเนี่ยไม่ได้เลยนะชนทานนี่คือลักษณะคนที่อยู่นอกวันณักวันนักนี่ก็จะมีวรรณักกษัตริยว์วรรณะพราหมณัรรณะแพทย์หรือเวทแล้วก็วรรณะสูตรก็คือพวกคนชนชั้นแรงงานถ้าเวทหรือแพทย์ก็คือพวกพ่อค้าพวกเมียนจะกิน แต่พวกปราม์ก็คือพวกที่ทำพิธีกรรมพวกที่เป็นเหมือนกับกึ่งนักบวชแต่เป็นกษัตริย์ก็คือพวกที่อยู่ในชนชั้นปกครองลักษณะที่เป็นวันนะสี่อย่างนี้แต่ถ้ามีการแต่งงานข้าววันนะกันนีกกน่คือความเชื่อในสมัยโบราณ น, นั้นลูกที่ออกมาเนี่โดยทั่วไปก็จะเป็นเด็กจันทรต่าเขาเรียกว่าพวกนอกวันนะพวกนอกวันณะ คือต่ำเตี้ยยิ่งกว่าพวกคนชนชั้นแรงงานอ่ี้นะขึ้นนอกไปเลยอ่ะทุเรศพวกจันทันไปเลยอะซึ่งพวกจันทันเนี่ยโอ้คนเขาจะรังเกียจเดียดฉันมากจะไม่ให้เข้ามาใกล้จะไม่ให้งานจะไม่ให้แบบความช่วยเหลือใดๆเลยเป็นเหมือนเสนียดจันไรแล้วนี่เป็นเด็กอยู่ในคนชนชั้นจันทัน ของใช้นี่ก็เป็นแต่ของเก่าๆห่างๆนุ่มผ้าเก่าๆถือตะกร้าซอมซ้อไปทำอะไรงายก็ไม่ให้ทาขอทานไปขอทานเนี่ยโอ้เด็กจันทานเขาาจะไปให้ไงเ ข, เขาเห็นแล้วเขาก็ยังรังเกียจว่านี่ทำไมมาขวางหูขวางตาเป็นคนกัละ ก, กิ น, นีเห็นแล้วนี่มันดวงสวยแล้ววันนี้ผู้เขาด่าให้อีก จะเถียงจะพูดจะทำอะไรคุณไม่มีสิทธิ์เลยนะเด็กจ้นทานเนี่ยโอ้ถูกกดขี่แบบต้องมีจิตนอบน้อมอย่างเดียวอะจะไปหืออือหรือขอสิทธิ์ขอเสียงอะไรบ้างไม่ได้เลยถ้าใจิตใจเรามีสติตั้งมั่นไปเลยนะทุกฝั่งนะจิตเนี่ยจะต้องอดทนป่า น, นี้เลยนะ คือเด็กจันทานเนี่ยเขาอดทนเพราะว่าเขาตกอยู่ในสถานะที่จําเป็นไงถูกบีบคั้นยังไงก็ต้องก็ต้องทนอะ่ะแบบก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยไปทีนี้หนึ่งคือจําเป็นไงยังไงคุณก็ต้องทนอะ่ะแต่ถ้าจิตเรามีส ต, ติตั้งมันไว้แล้วเนี่ยจิตเราจะมีความอดทนเพิ่มขึ้นเลยเหมือนจิตของเด็กจันทานคนจนชั้นวรนะที่ต่ําที่สุดถูกโขกถูกทัพย์ยังไงก็ทนได้ อยู่ได้ไม่คิดอาฆาตกรยจะไปคิดเคียดแค้นเขาแล้วก็จะไปทำอะไรเนี่ยแค่สิทธิที่จะคิดคอะไรย่งไม่มี <c oughs> ก็มีค่านิยมกันปานนั้นเลยด้วยคุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งดีนะสมบุฟังที่จะมีความอดทนอย่างปานนี้จิต ท, ที่มีสติแล้วก็จะมีความอดทนมีความนอบน้อมมีคุณสมบัติเหมือนจิตของเด็กในวัรณัดจันทร ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบในพระสูตรอื่นนะก็ทำไมข้าพเจ้าคิดถึงเวลาโจร น, นีมาในปุนณสูตรบอกไว้กับท่านพระปุณณะว่าถ้าโจรเข้ามาเลื่อยตัวเราอะให้ขาดออกสองข้างจะมาฆ่าจะมาทำร้ายถ้าเรายังมีจิตประทุษร้ายในบุคคล น, นั้นนะ อ น, นี่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าเด็กจันทานเขาจะไปมีจิตคิดประทุษร้ายกับคนที่ด่าเขาว่าเขาหรือโขกศับท์เขาไม่ได้เลยจิตเนี่ยจะเสมอกันแบบนี้มีสติสัมปชัญญะตั้งไว้อย่างดีอันนี้ก็ต้องแยกแยะ ก, กันให้ออกนิดหนึ่งนะทุกฝังแต่บอกว่ า, วาด้วยโมหะ ด้วยลักษณะความไม่เข้าใจเป็นความหลงนั่นก็ จ, จะไม่ใช่ความอดทนที่ถูกต้องหรือไม่ใช่ความนอบน้อมที่ถูกต้องนันคือเป็นลักษณะของอาการทางจิตทางประสาทบ้างก็มีแต่ถ้าเรอะว่าเป็นสติจริงๆอ่ะเราจะดูได้จากคนที่ถ้าเคยลำบากมาก่อนนะสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยเออโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่า คือนี่คือแนวโน้มโดยทั่วไปนะก็ไม่เสมอไปแต่เป็นแนวโน้มที่เพราะว่าพอตอนเด็กๆมีความอดทนฝึกเรื่องจิตที่มีความนอบน้อมไม่เบียดเบียนเพราะว่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เออคุณสมบัติที่เขามีสติสัมปชัญญะมาตั้งแต่ก่อนแล้วเนี่ยมันช่วยสนับสนุนให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในเวลาต่อมาได้ เป็นแนวโน้มกันมาได้ในกูพมาข้อที่6ว่าด้วยเด็กจันทานต่อไปคือโคหมายถึงกระบือหรือวัวควายที่เขาเหมือนขาดแล้วแล้วก็ได้รับการฝึกอย่างดีด้วยฝึกอย่างดีในการที่จะรู้จักรับคำสั่งฝึกอย่างดีในการที่จะไม่กระทบกระทั่งใคร ฝึกอย่างดีในเรื่องระบบการจราจรของมนุษย์เช่นเดินไปตามตลาดช่องร่องแถวนี่เขาเป็นระเบียบอย่างนี้อย่างนี้คือสัตว์ดีบางทีมไม่เข้าใจไงทุกฝังอย่างแม้แต่มนุษย์แดงมางทีนะเรื่องกุจราจรนี้ยังงงมึนๆอ่ะจะมาจัดระเบียบอะไรกันไม่เข้าใจฉันอยากจะขับไปทางนี้เข้าไปทางนี้ฉันอยากจะขับไปทางนั้นกับไปทางนั้น้คนเรานี่มันยังต้องมาเรียนรู้เรื่องระบบการจราจร คำแนวความคิดต่างๆใช่ไหมทีนี้ยิ่งสัตว์เดรัจานนี่มันจะมารู้เข้าใจวิธีคิดของมนุษย์ยิ่งยากเลยพวกสัตว์เหล่านี้จึงต้นตไดรับการฝึกให้เข้าใจระเบียบหรือว่าลักษณะการทำงานแนวความคิดของมนุษย์ช้างมา้าโคลาพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการฝึกมาก่อนแล้วจะนำมาใช้งานจะนำมาเข้าสู่หมู่บ้าน จะให้เกี่ยวข้องกับคนมากมายนี่ไม่ได้มันจะตื่นมันจะตกใจกลัววิ่งเตลิดเปิดเปิงไม่ได้เลยเขาต้องฝึกมันให้ดีซะก่อนแล้วยิ่งเขาขาด้วยนะยิ่งเจียมเทียมเลยตำรวจยิ่งจะไม่แบบกระทบกระทั่งอะไรใครๆเลยคือเป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานตำรวจที่เขาจะมีความมั่นใจในอาวุธในเครื่องมือของเขา เช่นถ้าเสือโครง่งอาวุธเขาเนี่ก็คือกรงเล็บแล้วก็เขี้ยวคือฟันแต่ถ้าช้างอาวุธของเขาเนี่คือกําลังแล้วก็งาถ้าโคอาวุธของเขาเนี่ก็คือเขาที่จะไม่ใช้ขวิดจะไว้ใช้กระแทกได้หรือกําลังของตัวเองที่จะใช้ดึงใช้ลากใช้เข็นใช้ชนได้ ล่าสัต์ประเภทเหล่านี้มันก็จะเกรงกลัวกันตามอวัยวะพวกนี้แหละถึงเขี้ยวใครแหลมกว่าคมกว่าเงางามกว่าเขาใครใหญ่กว่าแหลมกว่ากําลังใครมากกว่างาใครงามกว่าอ้าวคนไหนงามกว่ามีกําลังมากอ่ะใครใครคนนั้นเป็นจ่าปูงไอ้คนที่เขาเล็กกว่างาน้อยกว่าไม่แหลมเท่ากําลังน้อยอ้าว คุณก็เป็นลูกน้องจะมาหือมาเออไม่ได้แต่สู้กันแพ้นะเออมันจะมาขู่กันข่มกันก็ด้วยอาวุธต่างๆเหล่านี้ของสัตว์ประเภทนั้นทตนี้อาวุธไม่มีไงเขามันขายไปแล้วโอ้ยจะไปสู้ต่อกอนหรือว่าแสดงอำนาจไม่มีอะไรแสดงแล้วเรื่องหมายนี้มันหายไปแล้วนี่เทียมเียมเลย แล้วสัตว์เนี่ยมันจะตกใจกลัวเวลาเสียงดังบ้างอย่างถ้าเดินไปในตลาดอย่างเงี้ยคนก็ตะโกนขึ้นมีใครทําอะไรตกหล่นปุ๊บนี่ถ้าจะตกใจขยับร่างกายกระแทกสิ่งนั้นสิ่งนี้พังเลยนะแต่เนี่ฝึกมาอย่างดีจะไม่ตกใจอะไรด้วยสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อ ว, วัยวะที่จะใช้กระแทกแทงทาําร้ายก็หายไปด้วย โคตัวนี้เนี่ยจะไม่กระทบกระทืนอะไรทำอะไรไกลไม่มีเลยเหมือนโอเคเขาขาดพี่ได้รับการฝึกมาอย่างดีให้เดินไปตามตรอกซ อ, กซอยเล็กๆ เ, เขาจะาระมัดระวังอย่างมากเหมือนกันจิต ท, ที่มีสติตั้งไว้อย่างดีแล้วนั้นก็จะมีความระมัดระวังเสมอกันไปหมด ตอให้จะแคบแคบน้อ ย, อยลเล็กนี่ไปได้กว้างใหญ่ไพศาลแผ่ไปเลยไม่รู้สึกว่ามันจะแคบไรเลยจะมีความกว้างขวางด้วยสติที่ตั้งมันไว้กว้างขวางนี่คือไม่มีเวรไม่ผูกเวรมีความระมัดระวังเสมอเก้นหมดไม่ว่าจะเป็นช่องทางเล็กหรือช่องทางใหญ่นั่นคืออุปมาข้อที่7 ว่าด้วยโ h เขาขาดที่ฝึกดีแล้วถูกพานำไปตามทางถ้าา่ไม่ในข้อที่8ตัมะฝังคือเหมือนกับคนรักสวยรักงามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแล้วปรากฏว่าเขาเอาซากซากศพนี่แหละซากสัตว์จะเป็นซากงูซากหนู ซากสุนัขซากแมวเหม็นด้วยเน่าด้วยสภาพนี้ดูไม่ได้เลยนี่นะมาทาเป็นสร้อยมาทําเป็นเครื่องประดับแขวนเอาไว้ที่คอเมื่อแขวนแล้วผูกเไว้เลยอะ่ะถ้าผูกเอาไว้เนี่ ย, ยเขายิ่งจะต้องแบบกําจัดมันออกไปให้อะไรที่สุดอะ่ะจะต้องแก้ปมเชือกจะต้องถอดออกไปจะต้องกําจัดออกไป จะมีความรู้สึกระารังเกียดด้วยซากสิ่งเหล่านั้นคือมันเน่าแล้วด้วยนะซากนี่เหม็นด้วยนะเหมือนกันว่าถ้าจิตที่มีสติตั้งมันไว้แล้วนี่เขาจะเห็นกายเหมือนอย่างคนรักสวยรักงามเห็นซากสัตว์นี้เลยนะคือจะเห็นโทษเพราะมันจะอินนาระารังเกียดอย่างมากเลย คำว่าอินนาระแอกเกียนอย่างมากนี้ท่านประการสื่อถึงความที่ว่าจะไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนจะมายึดถือกายโดยความว่านี้เป็นตัวเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวเขารักสวยรักงามเขาจะคิดว่าซากศพนี้เป็นเครื่องประดับของเขาอย่างนี้เหรอไม่เลยนะคิดว่าจะใส่สายสะพายใส่เครื่องราช ใส่สร้อยไข่มุกเออนึ่นว่าไปอย่างแต่ว่านี่จ้เอาซากศพมาเป็นสร้อยไข่มุงมาเป็นสายสะพายเหรอมันไม่ใช่นะแม่ต้องถอดจริงเลยแบบไม่ใช่ของเรารเนี่ยเนี่ยเช่นเดียวกันนะคนที่ตั้งสติไว้อย่างดีเนี่ยกายก้อนนียมันจะมีความรู้สึกแบบมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมาถือเอาไว้มาประดับเอาไว้ไม่ใช่เลยคิดองนั้นไม่ได้เลยมันจะ ถอนหนอกนะจะมีจิตที่ห่างกันหนองอนี่คืลักษณะที่มันจะเคลื่อนหาออกกันละมีปัญญาแบบนี้เกิดขึ้นละในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีความรังเกยียจมีอารมณ์ที่โกรธไม่พอใจไม่ใช่นะแต่หมายความว่ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางได้จะไม่ได้ยึดถือว่านี้เป็นตัวตนอุปมานี้ทาให้เราเข้าใจลักษณะของสติตว่า ถ้าเมื่อเราตั้งสติไว้ยอย่างดีแล้วมันจะมีการแยกตัวออกจากกันทั้งนัน้นได้การแยกออกของมันก็เปรียบเหมือนลักษณะจิตของคนที่เขารักสวยรักงามแล้วเขาไม่อยากได้สิ่งเงินเต่างๆที่เป็นของไม่่วยไม่งามนั้นเวลาที่จิตแยกออกคือแยกแยะออกจากกันแล้วมันห่างกันแล้วเนี่ยคือมันเหมือนอาจจะติด ก, กันอยู่ ก็ว่าติดกันแต่ห่างกันเนี่ยอย่างเช่นว่าดอกบัวหรือใบบัวเวลาโดนน้ํเนาะมันไม่เนื่องกันมันเหมือนมีเยื่ออะไรบางๆมาพุ่มออมาอยู่ทาให้มันติดกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันเป็นลักษณะเดียวกันดูหว่างว่าเเราอยู่กับขันห้าก็จริงแต่ด้วยจิตของเราที่ไม่ยึดถือในขันห้าเนี่ยทำให้มันอยู่ติดกันก็เหมือนไกลกัน ลิ้นงูในปากงูลิ้นงูนี่อยู่ติดกับเขี้ยวงูเลยนะเออแต่ไม่โดนพิดของมันทำร้ายนะเออมันห่างกันอยู่ติดกันอยู่ก็จริงแต่มันคนละอย่างกันจิตก็เราอยู่กับกายนี้จิตก็เราอยู่กับคันหน้านี้ก็จริงแต่คนละอย่างกันแย ก, แยกแยกกันออกได้อย่างนี้นี่คืออุปมาข้อที่แปดเกดมาในอุปมาข้อที่เก้าตัวบังในข้อสุดท้าย เปรีเหมือนภาชนะที่มีก้นทะลุมีรูหลายช่องเลยนะทั้งเป็นช่องเล็กเป็นช่องใหญ่แล้วภาชนะเนี่ยใส่น้ำมันอไว้อุยน้ำมันเนี่ยมันมีค่ามากกว่าน้ำนะยิ่งถ้าเป็นน้ำมันระหุง่งน้ำมันงาน้ำมันสัตว์แล้วโอ้ยิ่งต้องยังไงอะ่ะไม่ให้มันรั่วไหลออกอะ คนถือคนบรรจุนี่ต้องระวังอย่างดีประคับประคองอย่างดีอุดรูอุดช่องต่างๆนั้นไว้ให้ดีคือสมัยก่อนบางทีเรื่องเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันนี้เช่นเดีวยวกันท่านเปรียบนี่ไว้ว่าคนที่มีสติแล้วเนี่ยเขาจะบริหารกายอย่างระมัดระวังเพราะวบริหารกายนั้นหมายถึงการขยัดการยืน การเดินหน้าการถอยหลังการหยิบจับอะไรการเข้าออกเสนาชนะการฉันการดื่มการยกมือเหยียดแขนเดินขึ้นย่อลงต้องระมัดระวังไปหมดทุกอย่างสิ่งนี้เรียกว่าการบริหารนกายเปิหารนกายด้วยความระมัดระวังนี่คือข้อดีเก้อุปมาะ9ข้อนี้ต้องฝังเป็นลักษณะของสติ ที่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วจะทำให้จิตนองเรมีคุณสมบัติแบบนี้ในยานีมาในพระสูตรที่ชื่อว่าวุตติสูตรเป็นบทพยัญชนะของท่านพราสารีบุตรที่ได้ปรารบเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันแล้วพระพุทธเจ้าเดีเรียกมาสอบสวนสุดท้ายในรายละเอียดเรื่องนั้นก็มีการขอโทษขอโพยกันให้อภัยซึ่งกลกัน แก้ไขกันแล้วก็ทำความเจริญให้เกิดขึ้นนั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับตัมบวังเป็นประจำในตุกหนพุทธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงกโมงเชา้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา o org p a n y a Org. รายการนี้จะโดยมูนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีขา้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุิญพรอน